อันนั้นมันเป็นภาษาอันหนึ่งภาษาของโรคใครก็รู้ทุกคนนันแหละถ้ารู้จาความคิดที่มีเหตุไม่ผลพวกเราก็มีแต่คนมีความรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกแต่ว่าการปฏิบัติเน่มันเป็นตัวกระทำลงไปเป็นกิริยาที่กระทาให้ถึงเนื้อถึงตัวยิ่งไม่ีกายก็ต้องไม่มสติ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 อลนโ ล, น, โลนไปเอาความร้อนโลนไปเมื่อไม้มันถูกความร้อนก็อ่อนเพียงดัดนิดเดียวมันก็ต้องดัดแล้วดัดอีกลนไปแล้วลนไปตัดไปดัดบ้างก็ตรงยูยูจะไปดัดเลยไปได้มมันมีวิธีมีวิธีที่จะต้องดัดเหมือนกับเขาดัดเหล็กเหมือนกันเขาต้องทาให้ร้อนทําให้แรงคนตีมีด ตีเหล็กเขาก็ทำให้เหล็กมันอ่อนเผาไยการปฏิบัติธรรมคือการเหมือนกับการตีเหล็กเผาไยความรู้สึกความระลึกได้มันทำให้อะไรอ่อนไปหมดเลยมันดักง่ายชีวิตจิตใจของเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอดไปทนไปบังคับไปอดเอาความโกรธอดเอาความ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 ความงว่วงเหงาห่อนอนอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกจิตจิตมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตมันมันมันแสดงออกทางอารมณ์อารมณ์มันไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่อารมณ์เป็นศักแต่ว่าจิตบางทีเราไปเอาสุขเอาทุกข์พรจิตกันกันไปเอาโกรธเอาโลภเอาหลงไปเอาลักเอาชังพรจิตอ่ามันหอ่อผิวเราไปความคิดเนี่ย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 เพราะว่ามันกับมาได้เก่งๆมือก็มีพริกมือเคลื่อนไหวมือเนี่ย ก, กับเขียวเลยเนาะมันมีสิ่งที่ช่วยเราอยู่เรียกว่าวิธีรูปแบบประุรธเจ้าหรือว่าบัพพะสัมปัญญาบัพพะกายบัพพะบัพพะคือมันเคลื่อนมันไหวสามารถที่จะรู้ได้ไม่ให้มันเคลื่อนไหวฟรีๆเกตนาใส่ใจเพิ่ม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 อยากมีอาจารย์อยากปฏิบัติธรรม <c oughs> <c oughs> นะก็ไปอยู่ในสํานักไปขอให้อาจารย์สอนอาจารย์ก็บอกไปเขียนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกให้อาจารย์ไปหาองนี้ไปหาองนั่นไปต่อไปต่อไปตอไปตอไปถว อ, อ, <c oughs> อาจารย์นั่งเป็นแถวเนี่ยไม่สอนเลยบอกไปองตอ์ต่อไปองต่อต่อไป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 น้ำที่มีอยู่ยมันทั้งสามเ <c oughs> อ็ดอ่าน่น้อยก็บอกอาจารย์โคเทลลงไปในน้ำอาจารย์ลงไปในน้ำนอนพ <c oughs> าดสังขารติอยู่เนี่ยทําวัดอย่างนี้แหละเอาพาออกข้าไ อ, อกไมไม่ออกออกลงไปทั้งตัวเลย <c oughs> อาจารย์โกคเทลก็ลงไปในน้ํา <c oughs> น้าเพียงเอวเอาไหมแค่เนี่ยไม่เอาลงไปอีก <c oughs> น้าเพียงหน้าอกพ <c oughs> อไหมไม่พอลงไปอีก <c oughs> น้าเพียงคอ <c oughs> เอาไหมแค่เนี่ยไม่เอาลงไปอีก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 เอาการกระทำแต่ก่อนตัวใครตัวมันทํำยังไงจึงจะรู้สึกตัวต่วเอววตเนื่องเพราว่าต่อเนื่องเน่ยเป็นโซ่ไม่ใช่เหล็กเส้นนะเป็นโซ่นะเป็นเปาะเป็นเปาะรูหนึ่งมันก็จะมันเอามือเคาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเราพิกมือเนี่ยรูรูรูรูรูรูไม่ใช่ทําให้สวยให้งามอ่อนซอยไม่ใช่นะตัวรูเป็นตัวเด่น ถ้าพลิกมือไม่ลู้ไม่มีประโยชน์อะไรเดินจงกรมถ้าไม่ลู่ไม่มีประโยชน์อะไรต้องกลับมาลู้ให้ได้ใส่ใจให้ได้เพิ่มความรู้สึกตัวสัมผัสกั บ, ค ว, กวกบกความรู้สึกตัวกับกายความรู้สึกตัวกับจิตกับใจอะไรก็ตามใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตั ว, ว, รตวเรามาหัดตรง น, นี้ถ้าไม่หัดมันไม่เป็นนะตอ น, นจะเอาความรู้มาโอ้ยจาได้แล้วล่ะหลวงพ่อพูดรเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอยได้ของปลอมมาจำเอาได้ของปลอม